พึงพากันตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญทำอะไรทำไมตั้งใจแล้วมันก็ไม่สำเร็จเกิดมาไม่รู้วกี่ชาติกี่ปกพร ข, ขาดความตั้งใจ เหตุนั้นจึงไม่จเจริญงอกงามได้ในชีวิตแม ใ, ในความเป็นอยู่ในทางโลกก็ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวก็มาปพึกปฏิบัติธรรมเข้าไปก็ ไม่สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้เพราะขาดความตั้งใจชีวิตนี้มันหยุดอยู่ที่เดิมไม่ได้ในเมื่อยังไม่ทันบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานตราบใด เราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เลยพอ ห, หยุดน้อมไปในความดีในความชั่วมันก็ขึ้นมาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในใจมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะมันมีกิเลสอยู่กิเลสนั่นก็แบ่งเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่งเป็นฝ่ายอากุศลอีกประเภทหนึ่งเป็นฝ่ายกุศลมันคอยแต่จะแย่งชิงกันว่าแต่ใจนี่แหละเป็นประธานในกิเลสเหล่านั้นถ้าใจชอบกับกิเลส มันก็เปิดช่องทางให้กิเลสเกิดขึ้นได้ถ้าใจไม่ชอบกิเลสชอบธรรมะอ่มันก็ปิดหนทางของกิเลสเปิดช่องให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเราผู้ที่ไม่ได้สดับคําสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วส่วนมากมันก็เปิดช่องให้กิเลสนั่นแหละเกิดขึ้นในใจครอบงมจิตใจอยู่อย่างนั้นความอยากได้บุญความอยากมีความสุขความเจริญอะไรโมนี้มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันแหละ แต่ว่ามันเป็นกิเลสฝ่ายดีฝ่ายบุญฝ่ายกุศลต่อเมื่อทาบุญกุศลนี่ให้เต็มบริบูรณ์เมื่อใดนั่นแหละตัณหากิเลสต่างๆมันก็ถึงดับไปหมดเลยเพราะมันเต็มแล้วเนี่ยมันไม่มีที่จะใส่อีก ถึงเอามาใส่มันก็นล้นทิ้งไปมันเต็มความปรารถนาแล้วเพราะว่าเมื่อทำบุญกุศลให้เต็มลงไปแล้วมันก็มีความสุขเต็มอกลาดังนั้นคีเหรตันหาความอยากได้บุญได้กุศลอะไรมันก็ดับไปหมดเลย ความอยากไปทําบาปทํากรรมต่งางๆก็ไม่มีถึงตอนนั่นแหละมันถึงได้ยุติการทําความเพียรเพื่อบรรลุความสุขที่ต้องการลงได้พอมันสมความมุ่งมา่าานฝ่าชนะแล้วถ้ายังไม่ถึงขั้นนั่นแล้วเราจะหยุดไม่ได้ ถ้าหยุดลงไปกิเลสฝ่ายชั่วมันก็จูงใจไปให้ทำความชั่วดังนั้นนะให้พึงพากันสำรวจดูจิตใจตัวเองว่าเรานั่นนะยังคิดอยากจะก้าวหน้าอยู่หรือไม่หรือว่า คิดว่าอยากเท่านี้พอแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของใครของเราจะาพึงทิจารณาตัวเองพิจารณาดูว่าความสุขเท่าที่เรามีอยู่เนี่ยพอแล้วหรื อ, อยังนแน่นอนแหละถ้าหากว่าทุกคนมาสำรวจตัวเองอย่างนี้ ก็จะตอบต้นได้เลยว่าความสุขเท่าที่มีอยู่ยังไม่พอเพราะมันมีทุกข์มาเจือปนอยู่จิตใจก็ยังหวันไหวไปอยู่การที่จิตใจวันไหวไปนั่นแหละแสดงว่าความสุขมันยังไม่เพียงพอถ้าผู้มีความสุขใจเพียงพอแล้วอย่างนี้ มันจะไม่วันไหวไปตามอำนาจของกิเลสมันจะไม่อยากได้อะไรเพราะมันอิ่มหมดแล้วนี่ทุกคนต้องสำรวจดูมันสำรวจดูตัวเองบ่อยๆเมื่อว่าตนยังบุ่องความสุขใจอยู่ เช่นนี้เ้วก็อย่าไปนิ่งนอนใจเพราะจุดมุ่งหมายของเราทุกคนนั้นอยู่ที่ความสุขความสุขกับความสงบเป็นคู่กันถ้าจิตนี้ไม่สงบแล้วก็หาความสุขไม่ได้ถ้าคราวใดทำจิตนี่ให้สงบลงไป เราก็พบกับความสุขเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่มีห่วงอะไรมันก็ไม่กังวลกับสิ่งใดแม้ว่าร่างกายอันนี้มันจะวิบัติไปอยู่ก็ตามแลวก็ทำความรู้เท่า ความทุกข์อันเกิดขึ้นในร่างกายนี้ได้เพราะเมื่อใจตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นว่าขันหานี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังดังนั้นเราจะบังคับไม่ให้มันแปรปรวนไปจะบังคับไม่ให้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบาก ช น, นิดบังคับไม่ได้เลยเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แหละจิตจึงไม่เป็นทุกข์ทุกนั้นมีมีอยู่แต่ว่าจิตนั้นไม่ไม่ยึดถือเอาทุกข์มาเป็นของตนไม่ได้สำคัญว่าทุกข์นั้นมีในตนตนมีในทุกข์ ทั้งนี้ก็เพราะปัญญานั่นเองแหละถ้าไม่บำเพ็ญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันจะไม่เห็นอย่างนี้เลยดังนั้นจงอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเจ็บปวดตรงไหนแล้วก็อย่าวิ่งหนีจากความเจ็บปวดอันนั้น เจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็เพ่งดูมันนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันไม่ใช่ของเราจะกลัวมันทำไมเพ่งดูเอาจนมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงเห็นว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครปวดอยู่ในนี้เลย ความเจ็บปวดมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปไม่ใช่มันจะปวดอย่างนี้ตลอดเวลาถ้ามันปวดอยู่ตลอดเวลาคนเราทนอยู่ไม่ได้ต้องตายออันนี้เวลามันบรรเทาลงมันก็บันเทาไป เวลามันปวดมันเจ็บมันก็ปวดขึ้นมาก็มันบังคับไม่ได้จะทำยังไงแล้วกระซอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้จะให้ใครมาช่วยก็ใครก็ช่วยใครไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็มีสมบัติอันไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันหมดกายสมบัติอันนี้นะ มันไม่เที่ยงแม้แต่สมบัติภายนอกเงินทองเข้าของน่าเต่านะั้นก็ร่วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยได้มาแล้วใช้ไปก็หมดไปอาหารการบริโภครับประทานเข้าไปแล้วก็เอาทายเทออกไปหน่อยก็เอาหล่อเลี้ยงเข้าไปอีก แล้วก็ถ่ายเทออกไปอยู่อย่างนั้นเน่ไม่มีอะไรยั่งยืนเลยฉะนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้และสิ่งที่เละเทะอยู่ในร่างกายอันมดนี้มันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลยดังนั้นน อย่าไปสงสัยต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้มันเห็นเมื่อเมื่อไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วมันก็จนมุมแหละมันก็จนมุมต่อความทุกข์ต่อความไม่เที่ยงปล่อยให้ทุกข์ครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้น เวลาได้ก็บ่นว่าจะทนเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนั่นเรเรียกว่ามันจนมุมไงเพราะนั้นอย่าไปยอมจนมุมปัญญามีอยู่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาก็เพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองเนี่ยรู้เท่าขันห้าตามเป็นจริงถ้าใส่ขันห้าอยู่ไม่รู้เท่าขันห้า มันถึงได้เป็นทุกข์เหตุที่ไม่รู้เท่ากับพราะคนเราเนี่ยมันเกียดคล้านทำความเพียรไม่ไม่ยอมทำความเพียรฝึกใจให้สงบระงับปัญญามันถึงไม่เกิดผู้ใดขยันหมั่นเพียรภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบลงให้ได้ อย่างนี้แล้วก็ภายหลังมาปัญญามันก็เกิดขึ้นก็สามารถรู้เท่าทุกในขันห้าอันนี้ได้ตามเป็นจริงขันห้านี่แปรผันวันไวไปแต่ว่าจิตนี่ไม่วันไว้ไปตามเพราะไม่ใช่ของเราจะวันไวไปตามมันทำไมก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้ มันจึงไม่ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปกับขันห้านี้ทุกคนนี่มันก็ต้องได้พบกับความแปลปวนนี่ทั้งนั่นเลยไม่มีใครจะไปหลีกเลี่ยงได้ต่างแต่ว่ามากหรือน้อยกลัวกันเท่านั้นเองูพ ที่ได้สัมผัสกับความแปรปวนเล็กๆน้อยๆอมันก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมาพออดพอทนได้แต่ถ้ามันแสดงอาการรุนแรงออกไปผู้ใดขาดกำลังใจก็ทุรนทุรายเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจ บนพ่ไรลำพันธว่าเออไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะคนอื่นเขายังปกติดีอยูอ่ร่างกายของตัวเองนี่ทำไมมันถึงไม่เหมือนเพื่อนวิตกเท่าไรก็ยิ่งเศร้าใจไปเท่านั้นอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิด หน้าพิจารณามเมื่อพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วนั่นแหละมันถึงไม่หวั่นไหวมันจึงอดได้ทนได้ให้พึ่งพากันเข้าใจเน้ทีนี้นอกจากอดทนต่อ ความแปรปรวนของร่างกายนี้แล้วก็ยังมาอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีความยกโทษติเตียนต่างๆหมู่นี้ถ้าไม่อดทนแล้วก็เป็นทุกข์แล้วหรือถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณ อย่างนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วเพราะสำคัญว่าเขาว่าให้เราเขาด่าเราเขายกโทษปีเตียนเรานี่เมื่อไปสำคัญอย่างนั้นมันก็วันไว้แล้วจิตนะเพราะมันมีเรามีเขาอะแต่ว่าปัญญายังไม่รู้แจ้งตามเป็นจริง ได้เราก็ใช้ความอดทนไปก่อนเมื่อรู้ว่าจิตใจมันจะวันไวกับคำสรรเสริญละนินทาเช่นนี้ก็อดกั้นทนทานไปเน้วยต่อจากนั้นก็จึงใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาด่าเราหรือว่าด่าอะไรกันเน่ ถ้าปัญญามันเกิดมันก็จะตอบตัวเองได้ว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าก้อนดินน้ำไฟลมต่างหากเพราะร่างกายอันนี้มันก็มีอยู่แต่สภาวธรรมต่างๆเหล่านี้เท่านั้น่ะประชุมกันอยู่มันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นฐานอะไรเลยที่ว่าเป็นตัวเป็นตนก็ว่าโดยสมมุติต่างหาก ก็ต้องฝึกหัดพิจารณาให้มันคล่องแค่ว้แต่เวลาที่ยังไม่ถูกนินทาว่าท้ายต่างๆนี่นะเราต้องพิจารณาให้รู้ล่วงหน้าไว้เลยก็พิจารณาพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า นัตติโลเกอะนินทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้นี่ก็ทรงรู้แจ้งแล้วว่ามันเป็นโลกธรรมดาใครเกิดมาในโลกนี้ล่ะมันต้องได้พบกับความสนรเสริญบังความนินทาบัาง อันเมื่อเขาชอบใจเขาก็นินทาให้ถ้าเขาชอบใจเขาก็สนรเสริญให้ถ้าเขาไม่ชอบใจเขาก็นินทาติเตียนอันนี้เป็นโลกธรรมดามเราต้องรู้เท่าตามเป็นจริงอย่าให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้ เพราะคนพานกับคนดีมันย่อมพลนกันอยู่ในโลกนี้นะเมื่อคนดีมีอยู่ที่ไหนคนพานก็ไปแทรกอยู่ที่นั้นแหละทำอย่างไรได้ตัวหักอยากเกิดมากตัวกระมัวเมาประมาทพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปมากกว่าเม็ดหินเม็ดทราย ในท้องมหาสมุทรทะเลแล้วตนทำอะไรอยู่ทำไมจึงไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานไปตามพระพุทธเจ้านั่นล่ะนี่ถามตัวเองดูสิทั้งนี้ก็เพราะอาศัยความมัวเมาประมาทไม่ฝึกใจของตนให้ตั้งมั่นอย่างสิว่านั่นเนี่ยมันถึงได้เกาะได้คล่องอยู่ในโลกอันนี้ พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกไม่ใช่น้อยนะเมื่อพิจารณาย้อนหลังไปแล้วอาศัยเวลานานาย้อนหลังคืนไปนู่นไม่รู้ว่ากี่พระองค์แล้วเรายังพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ไม่ได้<ม>ก็เพราะอะไรแล้วก็เพราะอย่างที่ว่านี่แหละ ขาดความอดความทนขาดปัญญาความรู้แจ้งถ้าประสบกับความทุกข์ขึ้นมาจิตใจก็วันไว้ไปกับความทุกข์อันเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนั้นทัานถูกเขาเนินทาว่าร้ายม า, าไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์วันไว้ไปตามวันไว้เฉ ย, เฉย ก็ทำเน่าหลิวโกรธขึ้นมายิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เพราะคนพานมีอยู่ในโลกนี้ทางที่จะหลีกเลี่ยงจากคนพานนั้นเราจะไปหลีกเลี่ยงด้วยฝีเท้าไม่ได้ต้องหลีกเลี่ยงด้วยสมาธิภาวนา หีกเลี่ยงด้วยการเจริญปัญญาวิปัสสนาดังกล่าวมานั้นเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะทำสรรเสริญนินทาทั้งหลายมันก็เกิดแล้วดับไปอยู่ตามเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นเพราะมันก็เป็นสังขาร น, นี่ความสรเสริญและนินทาน ธรรมดาสังขารทั้งพวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ได้ตั้งมั่นอยู่เลยเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงอย่างนี้แล้วมันจึงไม่วันไหวนอกจากไม่วันไหวแล้วก็ยังเบื่อนายความเป็นมาอยู่ในโลกอันนี้นะ่ะความเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในขันห้าอันนี้ มันสารพัดตั้งแต่มันจะแปรปูนไปสารพัดตั้งแต่ความยุ่งเหยิงต่างๆนี่นะคนไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาก็ไปเมาแต่เสียใจเมาแต่ดีใจเมาแต่เศร้าโศกไปตามเรื่องที่มันแปรปูนไปนั่นแหละมันถึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้ คนเรานะ่ะท่านที่พ้นทุกข์ไปแล้วก็เพราะท่านมาภาวนาทําใจให้สงบลงไปแล้วมามองดูโลกคืออัตภาพร่างกายเป็นที่อาศัยของดวงกิดนี่นะ่ะมันก็เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความแปรปรวนความบังคับไม่ได้ไม่พินไปตามใจหวัง โดยแจมแจ้งขึ้นในใจเมื่อมันเห็นโดยปัญญาอย่างนี้มันก็เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นการเบื่อหน่ายด้วยปัญญานี่มันเป็นเหตุให้ปรงให้วางลงตามสภาพเบื่อหน่ายอีกแบบหนึ่งเบื่อเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งความทุกโทมันนัดภายในจิตใจอย่างรุนแรง ก็เป็นเหตุให้แต่คนเราได้ไปฆ่าตัวตายโดยอาการต่างๆมันมีอยู่ทมไปนั่นแหละความเบื่อหน่ายมันก็มีอยู่สองประการอย่างนี้ดังนั้นอย่าไปเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งกิเลสคือความโทมนัสครับแทนใจเมื่อเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วก็เกิดโทมนัสขึ้นมาอย่างนี้เนะี่ย นั่นแหะท่านเรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยอำนาจของกิเลสมันก็้นทุกข์ไปไม่ได้ต้องเบือหนายด้วยอำนาจแห่งปัญญาเมื่อมองดูเห็นอัตภาพร่างกายนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนเห็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมูลี ก็ร่นจะเป็นของไม่เทียงเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นมันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเลยแล้ก็มาดำริในใจว่าทำชะไหนหนอเราจึงจะพ้นจากรูปจากนามอันนี้ไปได้นี่ดำริอย่างนี้มันจึงถูกต้องการดำริไปด้วยความเสียใจเศร้าโศกไม่ถูกทางไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ เมื่อดำลิกอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็รู้ปัญญามันเกิดขึ้นแล้วทางที่มันจะพ้นไปได้ก็เพราะลรงวางมั น, นไว้ตามสภาพไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่เท่าโศกกับสังขาร น, นามรูปอันนี้น ทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมด้ว ย, ยางา น, นความรู้กำหนดรู้แจ้งอยู่อย่างนั้นนะทางนี้ลหละจะเป็นทางพ้นจากนามจากรูปอันนี้ไดก้ก็เมื่อจิตนี่มันเห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของตนแล้ว มันก็โปรงก็วางไม่ยึดไม่ถือด้วยความยินดียินร้ายแล้วนั่นแหละมันถึงพ้นจากนามจากรูปอันนี้ไปได้แต่ว่าการปล่อยวางเมื่ออริยมรรคยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เป็นมรรคสัมมังคีเราจะปล่อยวางให้มันเด็ดขาดไปได้เลยทีเดียวมันก็ยังไม่ได้ที่ท่านเรียกว่า ตทางควิมุตหลุดพ้นจากนามรูปอันนี้ชั่วขณะหนึ่งวิขมพนวิมุตจิตหลุดพ้นจากนามรูปอันนี้ด้วยอำนาจแห่งฌานท่านผู้ที่บำเพ็ญฌานให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้เมื่อท่านเข้าฌานไปแล้ว เวทนาต่างๆหมดนี้ก็ระ ง, งับไปหมดเป็นอย่างนั้นแต่ท่านเมื่อออกจากทานมาแล้วก็มาสัมผัสกับความทุกข์กับความแปลควรของนามของรูปนี้แหละตามเดิมแต่ท่านรู้เท่าท่านไม่หวั่นไหว แม้จะได้กระทบกระทั่งกับเวทนาความทุกขเวทนาต่างๆหมดนี้อย่างไรจิตนี้ก็ไม่วันไวเพอรู้แจ้งแล้วว่าขันห้านี้เมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันอยู่นิ่งๆได้อย่างไรอ ม, มันก็รู้แจ้งอย่างนี้เมื่อมันไม่นิ่งมันวันไหวมันก็กระทบกับจิตนี้ เมื่อจิตนี้รู้เท่าตามเป็นจริงจิตก็ไม่วันไหวกระทบเท่าไรก็ช่างก็ไม่วันไหวไปตามแต่ถ้าจิตนี้ไม่รู้เท่าเมื่อจิตนี้ก็วันไหวไปตามขันห้าอันนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของคนเราเนะ่ะพกคนขี้ค้านทำความเพียนพูดสั้นๆ ไม่ภากเพียนนั่งสมาธิภาวนาไม่เพียนทําใจให้สงบพอแต่ทําไปน้อมใจลงสู่ความสงบไปมันยากสักหน่อยอย่างนี้แล้วก็ถอยเสียหยุดเสียอย่างนี้นะเมื่อขี้คลานทําความเพียรฝึกใจให้สงบอย่างนี้ปัญญามันก็จะมาแต่ไหนล่ะปัญญามันก็ไม่เกิดอ มันบกพ้องอยู่ตรงนี้การที่คนเราจะรู้เท่าทุกข์ไม่ได้อการที่คนเราจะละกิเลสเพตแห่งทุกข์ไม่ได้ละความโลภความโกรธความหลงไม่ได้กระเพาะปล่อยใจให้อ่อนแอทอแท้อย่างที่ว่าไม่ทําความเพียรฝึกใจให้หนักแน่นนังนั้นจึงทนทุกข์ไปไม่ได้ คนเราเมื่อมันทุกข์ใจมาแล้วมันไม่หยุดอยู่แต่ที่เก่านะมันดินโลนกระวนกระวายแหลวมันไปเพ่งโทษคนอื่นไปทถื่อนเถื่แหละใจไม่ดีแล้วมันเป็นงั้นมันไม่รู้เท่าสังขารนนะเมื่อเวทนาครอบงำจิตก็รอดจิตงุหงิดแล้วก็เอาแนละ้ะใครทำอะไรไม่ชอบใจหนอนหนึ่งก็แสดงออกทางกายวาจาเลย Thank mm -hmm. you.